วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษสัต์มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาทำหน้าที่ ของพุทธศาสนกิกชนด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมและนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นผลขึ้นมาคือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป ธรรมะที่จะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของทุดงขวัตทุดงขวัตนี้คืออะไรก็คือข้อวัดปฏิบัติเพื่อขัดเกลกิเลสให้เบาบางลงไปให้หมดไปและเสริมความเพียรเสริมความมากน้อยสันโดษ เกี่ยวกับเรื่องของการกินการอยู่ของนักปฏิบัติธรรมทวดองขวัตนี้มีอยู่13ข้อด้วยกันแบ่งไว้เป็น4กลุ่มกลุ่มแรกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารกลุ่มที่สองเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนุ่งห่มกลุ่มที่สาเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าใสและกลุ่มที่สี่ เกี่ยวกับเรื่องของการทำความเพียรมีสิสามข้อด้วยกันรวมทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่บังคับให้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามทั้งสิบสามข้อสามารถเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆลายข้อก็ได้จะปฏิบัตินานหรือไม่นานก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม แล้วแต่ความสามารถของผู้ปฏิบัติแต่มีไว้เพื่อช่วยเร่งความเพียนเร่งการปฏิบัติเร่งการกำจัดกิเลสตัณหาที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆให้เบาบางลงไปจนให้หมดสิ้นไปได้ธุวดงขวันนี้ มีตั้งแต่ในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนหลังจากที่เห็นว่าการปฏิบัติข้อวัดเหล่านี้มีคุณมีประโยชน์แต่ก็เป็นข้อวัดที่อาจจะต้องใช้ความเพียรความพยายามมากจึงไม่ได้บังคับให้กับพระภิกษุทุกลูกจะต้องปฏิบัติตาม พระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติผู้ใดมีอินทรีย์มีความสามารถสูงสามารถจะปฏิบัติตามได้ก็ปฏิบัติไปตามอัตยาศัยเป้าหมายก็คือให้เกิดความภาคเพียรให้เกิดความมากน้อยสันโดษให้ล ด, ดละความโลภความอยาก ต่างๆในเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยสี่ให้บางๆลงไปเพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคมาเป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติจนทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาเรื่องของทุดงขวัต ในกลุ่มของอาหารก็มีข้อที่หนึ่งก็คือการถือการบินทบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรประจำอยากจะกินอาหารก็ให้ไปบินธบาตเพราะการบินทบาตนี้จะเสริมความเพียรเพราะต้องไปเดินเดินไปจากที่อยู่จากวัดไปสู่หมู่บ้านแล้วก็ต้องเดินรอบบ้านเพื่อรับอาหาร เป็นการกำจัดลถความเกียจค้านลงไปให้มีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะไปหาอาหารมารับประทานทล้วก็เสริมความสันโดษคือดีตามมีตามเกิดเพราะอาหารบิณฑบาตนี้ไปสั่งไม่ได้ไม่เหมือนอาหารตามร้านอาหารที่สามารถสั่งให เอาอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้มารับประทานได้อาหารบินทบายก็ตามมีตามเกิดญาติโยมอยากจะใส่อะไรในบา้าน <c oughs> ก็ไม่ปฏิเสธเอามา <c oughs> ได้มากได้น้อยก็ไม่บน่นไม่ว่าเรียกว่ายินดีตามมีตามเกิดเป็นการกินแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ชู้จี้จุกจิก ไม่เลือกที่รักมักที่ชังถ้ามีความสันโดษเรื่องการรับประทานอาหารนี้จะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคได้อย่างไดเพราะการรับประทานอาหารของนักปฏิบัติรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้รับไม่อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานกินอาหารเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึง่ง ไม่ให้อดอยากขาดแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอาหารชนิดไหนที่ทาหน้าที่การเลี้ยงดูร่างกายได้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้รับประทานเพื่อความอร่อยอร่อยไม่ได้รับประทานเพื่อความความสุขความสำาัานใจรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกาย เราก็รับประทานเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่อยากจะเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มารับประทาน <c oughs> เพราะว่าความสุขจากการได้จากการรับประทานอาหารนี้มันเป็นความสุขเล็กน้อย <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรม <c oughs> จึงไม่ต้องการให้เสียเวลากับการรับประทานอาหาร มากจนเกินไปไม่ให้กังวลไม่ให้วิตกกับอาหารที่จะได้ฉันว่าจะได้ฉันอะไรบ้างถึงเวลาก็ฉันไปมีอะไรก็รับประทานไปไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือการบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัดประจำพระพุทธเจ้าทรง ชงเสิกการบินบาสนี้เป็นกิจเป็นภารกิจที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติทุกวันเป็นหนึ่งในพุทธกิจห้าพุทธกิจห้าคือกิจที่พระพุทธเจ้าก็ทําในแต่ละวันมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนธรรมะให้แก่คารวาญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนธรรมะให้กับ พระภิกษุภิกษุณีนักบวชในยามในยามดึกก็สั่งสอนให้กับพวกเทวดาในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาตก็ทรงเรีงยานดูว่าวันนี้จะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ออกบินธบาตนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบันเพ็น เป็นประจำหนึ่งในห้าภารกิจก็คือการออกบินทบาทนี่เองถึงแม้จะเป็นพระบรมศาสดาเป็นผู้ที่มีศรัทธาคารอบเนื่อใสามากมายกายกองก็ไม่ทิ้งการบินทบาททรงกระทาเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่มาบวชจะได้ยึดเอาไว้เป็นเครื่องแบบเป็นแบบฉบับในการ ดำรงชีพของนักบวชคือการบินทบาตหลวงปู่มัน่นท่านก็ถือการบินทบาตเป็นภารกิจที่สำคัญท่านบินทบาททุกวันยกเวน้นถ้าไม่เจ็บถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่ท่านมีอายุมากท่านไม่สามารถเดินเข้าไปถึงในหมู่บ้านได้ท่านก็ไปเดินไปแค่ครึ่งทาง แล้วชาวบ้านก็จะออกมาจากหมู่บ้านมาพบกับท่านครึ่งทางเพื่อมาใส่บาตรแล้วพอไม่มีเรือมีแรงที่จะเดินไปถึงครึ่งทางได้ก็รับบิณฑบาต ท, ที่หน้าวัดแล้วพอรับบิณฑบาต ท, ที่หน้าวัดไม่ไหวก็รับบิณฑบาต ท, ที่บนศาลาอันถือว่าเป็นภารกิจที่ ที่มีคุณมีประโยชน์ต่อพระภิกษุสามนเณรเป็นการเสริมความมากน้อยสันโดษเป็นการเสริมความเพียนไม่ให้เกียรติค้านอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือทุดงควัตข้อที่หนึ่งคือการบินสะบาทเป็นวัดข้อที่สองก็คือการฉันในบาทเป็นวัด การฉันในบาทก็เพื่อความสะดวกง่ายดายไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีภาชนะมากมายมีบาทใบเดียวก็สามารถใช้เป็นภาชนะในการขบฉันได้แล้วก็การเอาอาหารใส่ไปในบาทนี้ก็เป็นการอาคอยกำจำกัดกิเลสตัวที่ชอบเลือกอาหาร ชอบกินอาหารชนิดนั้นชอบกินอาหารชนิดนี้วิธีที่แก้ปัญหาเรื่องของการเลือกอาหารก็คือเอาอาหารใส่รวมเข้าไปในภาชนะคือบาศการฉันในบาสนี้ท่านก็บอกว่ามีสามลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งก็คือใส่อาหารเข้าไปแล้วแบ่งเป็นโซนๆข้าวไว้มุมหนึ่งกับข้าวไว้มุมหนึ่ง ของขวานไว้มุมหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการชันแบบแบบที่มีการจัดสรร์แบบที่สองก็คือไม่ต้องจัดมุมอาหารใส่เข้าไปข้าวจะอยู่ตรงไหนกลับจะอยู่ตรงไหนของหวานจะอยู่ตรงไหนก็ไม่สนใจถือว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องไปรวมกันอยู่ในท้องไม่ต้องแยกมัน บางวัดนี้จะไม่ให้พระจัดอาหารของตนเองจะให้เอาอาหารที่ได้จากญาติโยมมาตักใส่บาตรพระของแต่ละองค์พระก็จะไม่สามารถเลือกอาหารว่าจะตักอาหารแบบนั้นหรือไม่จะตักอาหารแบบนี้หรือไม่แล้วจะเอาอาหารใส่ไปมุมไหนอันนี้บางวัดท่านจะทำแบบนี้ไม่ให้พระมีโอกาสได้เลือกอาหารที่จะเข้าไปในบาตร แล้วก็ไม่ให้เลือกว่าจะเอาไว้ตรงมุมไหนส่วนไหนของบาตรเวลาพระที่ท่านมาเอ า, เอาอาหารจากญาติโยมมาใส่บาตรพระด้วยกันท่านก็จะตักใส่ตักใส่ไปไม่ไม่ <c oughs> ไมดูไม่สนใจว่าจะเป็นอาหารเป็นของหวานจะไว้ตรงไหนอย่างไรท่านก็เอาใส่บาตรไปอันนี้ก็เป็นระดับที่สองของการไม่เลือกไม่ชู้จี้จุกจิกในเรื่องของการรับประทานอาหาร พิธีที่สก็คือคนลึกครุกอาหารที่ได้ที่มีอยู่ในบาทนี้ให้เป็นเหมือนอาหารสุนัขเวลาที่เราจะเลี้ยงสุนัขนี่เรามักจะเอาข้าวกับกั บ, กบมาคลุกกันให้สุนักกินบางรูปท่านก็จะฉันแบบนี้เพื่อตัดกิเลสความชู้จี้จุกจิกความอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็เอามาคลุกกันไปหมดเลย ของหวานของขาวของอะไรที่จะเข้าไปในร่างกายนี้ก็เอามารวมกันไว้คุกกันในบาตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเข้าไปในร่างกายเข้าไปในกระเพาะมันก็จะไปคุกกันอยู่ในกระเพาะอยู่ดีนี่คือการกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อดับความหิวกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายกินเพื่อดับกิเลสปัญหา ความอยากที่จะกินอาหารชนิดต่างๆเพราะถ้าเวลาเกิดอยากจะกินอาหารชนิดต่างๆแล้วพอไม่ได้กินก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ากินอาหารแบบคุกกันรวมกันนี่มันก็จะไม่มีความเสียใจเพราะาอาหารมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดมีรสชาติอยู่สามสี่รสด้วยกันก็คือมีเปรี้ยวหวานมันเค็มก็กินไปตามมีตามเกิด อันนี้ก็คือการฉันในบาทฉันในบาทนี้มันก็จะทําให้ไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องของการที่จะต้องมารัางถ้วยรัางชามถ้ากินบาตรข้าวโยงคาวรวะนี้ก็ต้องมีจานมีจานข้าวจานกับข้าวจานของหวานจานผลไม้อ ะ, อะไรต่างๆอพอกินเสร็จแล้วก็ต้องมาเสียเวลากับการรัางถ้วยรัางชามรัางจานอีก แต่ถ้าฉันในบาทนี้ก็มีแค่บาทใบเดียวนั่นเองแม้แต่ช้อนก็ไม่ใช้พระป่าบางสำนักนี้ท่านไม่ใช้ช้อนท่านใช้มือฉันใช้มือหยิบอาหารเข้าปากเพื mm ่อ hmm. ที่จะได้ไม่ต้องมีภาระกับภาชนะของการฉันอาหารมีบาทใบเดียวก็พอบาทนี้มีคุณประโยชน์มากนอกจากเป็นที่ใส่อาหารแล้วเวลาที่ท่านออกทุดงไปอยู่ตามป่า ท่านก็ใช้เป็นกระเป๋าใส่จีวรใส่ของใช้จาเป็นเช่นที่กรองน้ำใบมีดโกนเป็นต้นก็อาศัยบาทนี้เป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางไปในตัวการฉันในบาทถ้าฉันแบบคลุกมันก็จะทำให้ไม่ฉันมากเพราะมันจะไม่ได้ฐานอาหารแบบที่ถูกอกถูกใจมันก็จะฉันจะรประทานพอให อิ่มท้องก็พอการไม่รับประทานมากจนเกินไปมันก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดอาการง่วงเหงาเหงานอนเวลาที่ปฏิบัติธรรมถ้ากินอาหารที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะกินมากจนพุงกลางท้องกลางพอถึงเวลากลับไปกุฏิหนังตาก็หย่อนหนังท้องก็ตึงแทนที่จะนั่งสมาธิก็ต้องนอนก่อน ทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปจึงนิยมที่จะฉันในบาตรกันเพื่อลดปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารมากนอกจากนั้นก็ยังมีข้ออีกข้อหนึ่งก็คือฉันมื้อเดียวฉันวันละครั้งเดียวก็พออาหารกินมากเกินไปมันก็เป็นโทษต่อร่างกายและต่อจิตใจ ต่อร่างกายก็คือร่างกายก็จะเกิดอาการอ้วนขึ้นมาเกิดมีน้ำหนักเกินแล้วก็อาจจะเกิดมีโครคภัยไข้เจ็บตามมาโรคเบาหวานโรคไขมันอุด ต, ตันโรคความดันเป็นต้นถ้าฉันน้อยฉันพอประมาณฉันพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็จะไม่มีโรคอ้วนและร่างกายจะไม่มีน้ำหนักเกิน แล้วเวลาไปนั่งสมาธิก็จะนั่งแล้วไม่สับะงกไม่ง่วงนอนไม่แล้วก็จะไม่เกียดคา้านจะขยันเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้ากินอิ่มๆมากๆแล้วพอถึนกุติก็อยากจะนอนก็จะทำให้เกิดความเกียดค้านขึ้นมาอันนี้ก็คือเรื่องของการขบฉันใน กลุ่มของอาหารซึ่งมีอีกหลายข้อด้วยกันแต่ไม่ได้นำมามาพูดก็พูดให้ได้ฟังแบบคร่าวๆ mm hmm. ว่าเป็นวิธีการคอยกาจัดกิเลสตัณหาคอยส่งเสริมความมากน้อยสันโดษให้กับผู้ปฏิบัติเพราะการกินง่ายนี้มันก็ทำให้สะดวกไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากถ้ากินยากนี่ต้องจัดต้องสั่งให้เขาจัดอาหารอย่างนั้นจัดอาหารอย่างนี้มา เวลาที่ไม่ได้อาหารที่ที่ต้องการก็จะเกิดอาการไม่พอใจเกิดอาการเสียใจขึ้นมาได้นี่ก็เกิดเรื่องของการฉันอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเรื่อ ง, องเครื่องเครื่องนุ่งห่มของพระท่านก็มีให้ถือผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลคือผ้าหอ่อศพสมัยพุทธกาลนี้เวลาคนตาย เราจะไม่เอาไปฝังหรือเอาไปเผาเราจะาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าพอศพนั้นเน่าเปื่อยผุพังไปผ้าก็ยังมีอยู่นักบวชสมัยก่อนก็จะไปเก็บผ้าหอศพเหล่านี้มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บมาเป็นผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าหม่มเป็นต้น เพราะนักบวชนี้ไม่มีเงินทองไม่ได้มีเงินทองที่จะไปซื้อของต่างๆเลยต้องใช้ของฟรีอาหารก็บิณฑบาตขอทานแล้วแต่คนที่มีศรัทธาจะให้อะไรก็กินไปตามมีตามเกิด<ม>เครื่องนุ่งหม่มคือเจวอนก็เป็นใช้ของฟรีไปเก็บผ้าที่ทิ้งกันแล้วในป่าชา้าผ้าที่หอ่อศพ หลังจากที่ศพได้เน่าเปื่อยแห้งกรอบไปแล้วผ้าก็เอามาใช้ในการทำเป็นผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระได้ mm hmm. นี่คือการถือผ้าบางสกุลซึ่งในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะเราไม่มีธรรมเนียมที่จะไปเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้า mm hmm. เหมือนสมัยก่อน ศพเดี๋ยวนี้ก็มีการเผาที่เมนกันเขาก็เลยเอาผ้าที่สำเร็จรูปที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วไปตั้งไว้บนโลงศพหรือหน้าหน้าโลงศพแล้วก็ให้ผ้าผ้าไปชักผ้าบางสกุลอันนี้ก็เป็นเหมือนบางสกุลเทียมใช้ผ้าบางสกุลเทียมไม่ได้เป็นบางสกุลจริงคือไม่ได้เป็นผ้าห่อศพจริง แต่ทำเพื่อเป็นเหมือนกับรักษาธรรมเนียมของการใช้ผ้าบางสกุลอันนี้ก็เป็นความนักน้อยสันโดษอย่างหนึ่งจะได้ไม่ไปวุ่นวายกับผ้าจีวอว่าจะต้องเป็นผ้าชนิดนั้นผ้าชนิดนี้ต้องเป็นผ้าไหมผ้าอะไรต่างๆเพราะว่าจีวรเครื่องนุ่มหอมนี้ก็ไว้มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายนี้เท่านั้นเอง ป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกอากาศหนาวเย็นมาทำให้เจ็บ่ข้ได้ป่วยหรือป้องกันไม่ให้สัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยมามากัดมาทาร้ายร่างกายหรือป้องกันของแหลมคมที่จะมาขูดขีดร่างกายได้หน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีเท่านี้เครื่องนุ่มหมไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ดีผ้าที่ เป็นผ้าไหมเอี่ยมออกจากโรงมาหรือเป็นผ้าห่อศพมันก็เป็นผ้าเหมือนกันมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันนักบวชนี้ต้องใช้คำว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วไม่นิยมไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้กับศรัตธาญาติโยมก็ไม่ต้องการจะไปรบกวนให้ศัทธาญาตโยมทาบุญตามอัธยาสัยก็หากันเอาเอง สมัยก่อนก็หาผ้าป่ากันต่อมามีคนมาบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นผ้าป่าผ้าที่มีอยู่ในป่าช้าก็ไม่พอใช้พระบางรูปก็มีผ้าจีวรเพียงผืนมีผ้าหม่มผืนเดียวมีผ้านุ่งผืนเดียวเวลาเจอฝนเข้าก็ไม่มีผ้าเปลี่ยน มีพระภากลุ่มหนึ่งเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็เจอฝนหนักไม่มีที่หลบก็เลยต้องเปียกบอนกันทั้งทั้งตัวเวลาเข้าเฝ้าพระ พ, พุทธเจ้าก็ไม่มีผ้าแห้งมาเปลี่ยนก็เลยต้องไปเข้าเฝ้าในทั้งที่ห่มผ้าที่เปียกเปียกบอลเข้าไปพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ทรงทรงพิจารณาว่าผ้าไม่พอใช้ ญาติโยมก็ไม่รู้ว่าพระต้องการผ้า mm hmm. พระพุทธเจ้าก็เลยส่งบอกญาติโยมให้ถวายผ้าให้แก่พระเรียกว่าเป็นผ้ากรถิน mm hmm. ผ้ากรถินนี้เป็นผ้าที่พระเจ้าทรงเป็นคนบอกญาติโยมให้เอามาถวายพระแต่ให้ถวายเพียงวัดละหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่ให้ถวายมากเกินไป mm hmm. แล้วก็ให้ถวายภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเกอตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นระยะเวลาที่จะให้ญาติโยมถวายผ้ากรถิ่นให้กับพระได้พระที่จะรับผ้ากระถินก็ต้องอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันถึงจะมีสิทธิ์รับรับผ้ากระถินได้และรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะผ้านี้รับมาเผื่อหนึ่งก็สามารถใช้ไปได้ตลอดปีถ้าขาดถ้าพอปีใหม่ถ้าผ้าเก่าแล้วก็รอกรถินปีหน้าก็ได้ไม่ต้องการจะรบกวนญาติโยมมากและไม่ต้องการให้พระต้องมาเสียเวลากับการมารับผ้ากรถินอยู่ทั้งปีก็เลยกําหนดเวลาให้มีเวลาถวายผ้ากรถินได้เพียง ดีละหนึ่งครั้งในในระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วต้องถวายกับพระที่อยู่จาพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนนี่คือที่มาของผ้ากฐถินเนื่องจากผ้าบางสกุลที่นิยมใช้กันนั้นไม่พอเพียงเพราะเมื่อมีคนศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็มีคนที่อยากจะออกบวชกันมากขึ้นพอมีพระมาบวชกันมากขึ้น ผ้าที่ใช้ห่อศพในป่าช้าก็ขาดแคลนขาดตลาดไม่พอใช้เวลาฝนตกก็ไม่มีผ้าสำรลองไม่เปลี่ยนอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ผ้าบางสกุลเพื่อที่จะให้ไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องไปเลือกผ้าชนิดนั้นชนิดนี้ต้องมีราคาแพงเมื่อไม่แพงเป็นต้น ให้ใช้ของถูกของฟรีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าก็มีเรื่องก็คือให้ถือผ้าเพียงหนึ่งสำหรับด้วยหนึ่งชุดคือหนึ่งไต้ผ้าที่ผ้าใช้นุ่งห่มที่ที่พอเพียงก็คือผ้าผ้าไต้จีวรนสามผืนด้วยกันคือผ้าผ้านุ่งหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าสบองผ้าห่มหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าจีวร และผ้าห่มสองชั้นไว้ห่มกันหนาวหรือไว้สำรองเวลาที่ผ้าจีวรเปียกก็เรียกว่าผ้าสังขติผ้าจะมีผ้าสามผืนจะเรียกว่าผ้าผ้าครองต้องมีอย่างน้อยสามผืนเวลาบวชในอุปชาจะต้องจัดหาผ้าให้นักบวชผู้มาบวชนี้ให้ครบสําหรับคือผ้าหนึ่งใจ ผ้าที่ต้องการความมากน้อยสันโดยก็จะถือผ้าเพียงหนึ่งใช้ผ้าเพียงหนึ่งชุดหนึ่งไต้เท่านั้นถึงแม้จะมีศัตธายาโยมจะเอาผ้าไตมาถวายให้อีกกี่ชุดก็ตามก็จะไม่เก็บเอาไว้ก็จะเอาไปบริจาคให้กับพระรูปหน่นหรือไปบริจาคให้กับผู้ที่ทําการบวชเวลาที่มีผู้มาบวชใหม่ก็จะได้อาศัยผ้าที่ได้รับจาก ศรัทธายาโยมถวายให้กับพระนี้เอาไปให้กับคนที่ไม่มีปัจจัยไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อผ้ามาบวชได้ผ้าอุปชาก็จะมีผ้าจัดไว้ให้บวชได้อ น, นี้ก็คือการใช้ผ้าหนึ่งชุดมันก็จะไม่วุ่นวายไม่ต้องมีภาระมากไม่ต้องดูแลมากมีผ้ามากก็ต้องดูแลมากต้องรักษามากต้องซักต้องซักต้องย้อมมาก ถ้ามีชุดเดียวก็ดูแลง่ายไม่พลุงพลังแล้วสมัยก่อนพระส่วนใหญ่จะเป็นพระปฏิบัติท่านจะไม่อยู่กับที่นานเกินไปท่านอาจจะอยู่กับที่ในช่วงเข้าพรรษาพ อ, อพอ อ, อกพรรษาแล้วท่านก็มกักจะนิยมไปไปวิเว้ไปเปลี่ยนสถานที่ไปหาที่สงบสงัด ต, ต่างๆตามสถานที่ต่างๆเพื่อการปฏิบัติถ้ามีผ้าหลายผืนด้วยกัน ถ้าขนไปก็มันก็จะหนักแล้วก็ไม่ได้มีความจาเป็นจะต้องใช้มันท่านถึงนิยมถือผ้าสามผืนเป็นข้อวัดนี่ก็คือเรื่องของของการใช้ผ้าของพระทุดงท่านจะมีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นมีผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าสังขาติผ้าห่มกันหนาวส่วนที่อยู่อาศัยของพระปฏิบัติ ก็คืออยู่ตามป่านั่นเองมีข้อข้อวัดข้อหนึ่งก็คือการการอยู่การอยู่ป่าเป็นวัดก็คือจะไม่อยู่ตามบ้านตามเมืองจะไม่อยู่ตามวัดบ้านวัดเมืองจะอยู่ตามวัดป่าวัดเขาหรือตามสำนักสงฆ์ต่างๆที่มีอยู่ในป่าในเขาเป็นต้นจะอยู่ให้ห่างไกลจากบ้านจากเมืองเพราะว่าบ้านเมืองนี้จะมีเรื่อง ที่จะมารบกวนใจคือมีแสงสีเสียงมีรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจฝุกกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทำใจให้สงบถ้าใจมีรูปเสียงกดลดิ่นรสมาคอยยั่วยวนกวนใจใจก็จะไม่มีกจิตกจายที่จะไปนั่งสมาธิ สมัยนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องยั่วยวนกวนใจถ้าานักปฏิบัติไปสนใจกับการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็จะยากต่อการที่จะไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้เพราะใจมันจะติดอยู่กับการดูสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในมือถือนั่นเองนั<ม>่นผา สมัยก่อนที่ไม่มีมือถือกันก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุสัญญาณทโทรทัศนะ์ว่าป่าวัาเขานี้จะไม่ให้มีโทรทัศน์ให้ดูไม่ให้มีวิทยุให้ฟังนะไม่ให้มีหนังสือพิมพ์ให้อ่านให้อ่านแต่หนังสือธรรมะนะแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมเพราะการมาบวชนี้มาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาบวชเพื่อทำภารกิจอย่างอื่น เป้าหมายหลักของการบวชของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ก็เพื่อมาทําให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมถ้ายัางมายุ่งมาวุ่นวายกับเรื่องต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะ ดุดพ้นได้คําว่าภิกษุนี้ก็แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารนั่นเองเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะเกิดความทุกข์อย่างสาหาัสและเวลาตายไปแล้วก็ไม่ได้จบตรงที่ความตาย ดวงวิญญาณก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในนรกบ้างและหลังจากที่ได้ใช้กรรมใช้บุญหมดแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างกรรมกันอีกเพราะมีกิเลสปัญหาความโลภความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้คือาลาภยศสารเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆถ้าตาบใดยังมีความอยากในสิ่งเหล่านี้อยู่การเกิดก็ยังจะต้องมีต่อไปและทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมีความทุกข์ต้องมีการร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจผู้ที่ไปบวชมาบวชนี้ก็เพื่อที่จะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องกาจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจจึงต้องไปอยู่ที่ที่ทำให้ความอยากเกิดขึ้นได้ยากก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นต้นอยู่ถ้าเป็นวัดก็อยู่วัดป่าวัดเขาถ้าเป็นสำนักสงฆ์ก็สำนักสงฆ์ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือบางทีก็ไปปีกวิเวกไปทุดงไปอยู่ในป่าตามลาพังอันนี้ก็จะถือทุดงอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ตามโคนไม้ เพราะว่าเวลาไปทุดงในป่าจะไม่มีกุฏิให้อยู่ก็ต้องอาศัยกรดการกรดเอากรดแล้วก็มีมุ้งคลอบกรดก็คือร่มนี่ร่มใหญ่ๆแล้วก็มีมุงคอ ล, ล, ลงอบลงมาเพื่อเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งในกรดนั่งในมุ้งได้ยุงก็จะได้ไม่มากัดเวลานอนก็นอนในกรดนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอยู่ตามคนไม้ ในยุคแักๆพระพุทธเจ้าทรงสอนพระไม่ให้ไปกังวลกับเรื่องของการมีกุเตอยู่หรือไม่มีกุเตอยู่ถ้าไม่มีกุเตออยู่ก็ให้กางกรดเอาเมื่อทำทำเพิงเอาไปอยู่ตามโคนไม้เอากิ่งไม้ใบไม้มาทําเป็นเพิ ง, เพงพอหลบแดดหลบฝนได้หรือไปอยู่ตามถาม้ำตามเงื้อมผาตามเรือนลางที่ไม่มีใครอยู่ไม่ให้มากังวลกับเรื่องของการหาที่อยู่อาศัย สรางที่อยู่อาศัยท่านกุฏิมันก็จะต้องเสียเวลาต้องมาสร้างกุฏิแล้วก็ต้องไปรบกวนจัตธถธายาโยมให้เ้างมาช่วยซื้อข้าวซื้อของมาทํากุฏิให้อยู่ <S S S S ถ้าในยุค้างๆนี้ท่านมักจะเป็นพระ ท, ท, ที่ไม่อยู่กับที่ที่เรียกว่าพระทุดงท่านจะอยู่ที่สักพักหนึ่งพอท่านเริ่มชินกับที่แล้วท่านก็ย้ายไปใหม่ เพราะเวลาอยู่กับที่ที่ชินนี่มันจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เวลาไปอยู่ในที่ที่ไม่ชินนี่สติมันจะดีเพราะจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าไม่รู้ว่ารอบตัวนี้มีภัยอะไรบ้างอย่างไรจะมีงูหรือเปล่ามีสัตว์ด้วยคานอะไรหรือเปล่ามีสัตว์ดุสัตว์ร้ายหรือเปลา่าเวลาเดินเวลาทำอะไรนี่จะต้องมีความระมัดระวังคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นทำให้เกิดมีสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าไปอยู่ที่ชินแล้วรู้ว่าปลอดภัยแล้ว mm hmm. ก็จะไม่ค่อยระมัดระวัง mm hmm. พอไม่ระมัดระวังสติก็เลยอ่อนลง mm hmm. การภาวนาก็ได้ผลไม่ค่อยดีเท่ากับเวลาที่มีสติที่จะต้องคอยระมัดระวังกับภัยต่างๆที่อยู่รอบตัวดั mm hmm. งนั้นพระ mm hmm. นะท่านพระปฏิบัตินี้ท่านมักจะนิยมเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ พออยู่ที่นี่ได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วมีความรู้สึกชินรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องมีความระมัดระวังไม่ต้องมีสติเว <ừ> ลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกเข้าสมาธิได้ยาก <ừ> แต่ถ้าไปอยู่ที่ที่ใหม่ที่แปลกที่ไม่รู้ว่ามีภัยหรือเปล่า <ừ> ก็ต้องมีความระมัดระวังมีสติเพิ่มมากขึ้นเว <ừ> <ừ> ลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกจิตสงบได้ง่ายขึ้นสงบได้นานขึ้น การไปปฏิบัติไปอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อไปปฏิบัติทําจิตใจให้สงบนั่นเองท่านจะดูผลของการปฏิบัติว่าอยู่ที่ตรงนี้แล้วผลดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าผลไม่ดีก็เดี๋ยวก็ต้องย้ายที่บางทีที่อาจจะอยู่แล้วมีคนเข้ามารบกวนมีชาวบ้านอาจจะมาขอหวยขอเลขขออะไรก็ก็ต้องหนีไป อ้อยยังไงก็ยังต้องอาศัยชาวบ้านอยู่เพราะว่าต้องอาศัยบินทบาตแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านปกติท่านจะไปปักกออยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณกิโลสองกิโลขึ้นไป<ม>เพื่อที่จะได้ไม่มีชาวบ้านมารบกวนแต่ถ้าชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นพักเข่งพัะขังมีเลขมีหวยก็จะมามาคอยมารบกวนถ้ามี การรบกวนท่านก็จะหนีไปเพราะว่าคําว่าไปไปไ ป, ไปทุดงนี้คือความหมายก็คือการไปปีกมิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาสถานที่สงบไม่ใช่เดินทุดงตามข้างถนนแล้วก็มีชาวบ้านเดินตามเป็นหมื่นเป็นพันุเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการไปปีกมิเวกอันนี้เป็นการไปสร้างสร้างภาพสร้างความขังของผู้ปฏิบัติ มีความขลังมีคนจัดตามีคนติดตามขอหวยขอเลขขออะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพาทุดงพาทุดงนี้ท่านไปปีกวิเวกในป่าเพื่อหาสถานที่สงบสงัดไม่อยู่ห่างไกลจากคนทั้งหลายทั้งปวงห่างไกลจากแสงสีเสียงอยู่ในที่สงบสงัดเพราะการที่จะทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา นั้นจำเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบท่านพูดว่ากายวิเวกใจถึงจะจิตถึงจะวิเวกได้กายวิเวกก็คือสถานที่ที่ร่างกายอยู่นั้นสงบสงัดวิเวกเมื่ออยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบสงัดได้ง่ายนี่ก็คือเรื่องของทุดงข้อเรื่องเกี่ยวกับขี้อาศใส อยู่ป่าอยู่ป่าจะอยู่วัดป่าวัดเขาอยู่สำนักสงฆ์ก็ได้แต่ขอให้มันเป็นป่าเป็นที่สงบสงัดห่างไกลจากหมู่บ้านห่างไกลจากเมืองไม่ใช่เป็นวัดอยู่ในเมืองที่มีสิ่งต่างๆรอบบริเวณวัดมีร้านค้ามีบาร์มีเบีย ม, มีมีบาร์เบียมีสถานอาบอบนวดมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดนถ้าไปอยู่วัดแบบนั้นมันก็ จะมีเรื่องคอยมาคอยมายั่วยวนกวนใจอยู่เรื่อยๆพระในเมืองส่วนใหญ่จึงมักจะบวชกันไม่นานบวชกันได้ทันศาหนึ่งก็ลาศึกขากันไปแล้วเพราะทนต่อสู้กับความยั่วยวนกวนใจไม่ไหวแต่พระที่ไปอยู่ตามป่าตามเขานี้ท่านมักจะอยู่ได้นานและมักจะเป็นพระที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานะ ถ้าเราติดตามข่าวาวดูเราก็จะรู้ว่าพระส่วนใหญ่ที่บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลคือเวลาท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุนี่ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับพระป่าพระที่อยู่ตามป่าตามเขามักจะไม่เกิดกับพระที่อยู่ตามบ้านตามเมืองเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเมืองไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเอง นี่คือการอยู่ดื่อเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ตามสถานที่ต่างๆอีกอย่างก็คือถ้าไปอยู่ตามวัดก็ไม่ไปเลือกกุติยินดีตามมีตามเกิดแล้วแต่เขาจะจัดให้กุติแบบไหนอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ไปไม่ได้ไปเลือกกุติว่ากุตินี้ดีกับกุตินั้นกุตินั้นไม่ดีนี้เป็นต้นกุติไหนก็ได้ขอให้มันสงบ อาให้มันไม่มีอะไรมาคอยครบกวนใจก็แล้วกันจะเก่าหรือใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือเรื่องเกี่ยวของทุดงที่เกี่ยวกับที่วาาัยของนักปฏิบัติเพื่อความสันโดษมักน้อยนั่นเองอยู่ตอยู่ตามมีตามเกิดมันจะได้ไม่วุ่นวายไม่ต้องมาเป็นภาระกังวลว่าจะได้ที่อยู่ที่ถูกใจหรือไม่แต่อย่างใด แล้วก็หมวดที่สี่หมวดสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำความเพียรก็มีอยู่การถือในสัตชิกแปล ว, ว่าการถือสามียาบทก็จะอยู่ในเรียบทเดินยืนกับนั่งเพียงอย่างเดียวจะไม่นอนอถ้าจะหลับก็หลับอยู่ในท่านั่งะจะได้นอนไม่มากเพราะไม่ต้องการจะเสียเวลาให้ไปกับการหลับนอนมากจนเกินไป แต่อันนี้ก็ไม่ได้ถือตลอดเวลาอาจจะเลือกถือเป็นระยะเวลาสามวันว่างแล้วแต่สามวันห้าวันหรือหนึ่งวันว่างหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเป็นต้นเพื่อเร่งความเพียรเพื่อที่จะได้ได้ได้ผลมากขึ้นนั่นเองถ้าความทำความเพียรมากผลก็จะปรากฏมากขึ้นมาตามลำดับผลนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดจากเหตุ เหตุก็<ม>คือการกระทาการภาวนาการปฏิบัติ <Yeah. S 1> จิตภาวนายิ่งทามากผลก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นไปตามลำดับเั้น <laughs> ต้องมีความเพียรต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้าการที่พระธุดงพระไปปิดเวเวกไปทุดงอยู่ตามป่านั้นเพราะว่าท่านจะได้ไม่ต้องมีภารกิจอย่างอื่นมาคอยมาคอยรบกวน ถ้าอยู่องค์เดียวในป่านี้ก็ไม่ต้องไปทำภารกิจในวัดถ้าอยู่ในวัดก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของวัดต้องปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เวลาก็มีศรัทธาญาติโยมเข้ามาก็ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมเวลาญาติโยมศรัทธากลับก็ต้องทำความสะอาด ส, สถานที่กันมันก็เลยจะต้องมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ก็จะเอาเวลาของการปฏิบัติไปแต่ถ้าไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวในป่านี่มันจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนหลังจากกลับมาจากบินรบาดฉันเสร็จปุ๊บก็สามารถเข้าดังทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนกระทั่งถึงเวลานอนได้เลยั้นถ้าผู้ที่ต้องการที่จะได้ผลได้ผลอย่างรวดเร็วนี้ก็ต้องมักจะไป ไปปีกเวกไปทุดงไปอยู่ในป่า ก, กันอันนี้ก็คือเรื่องของทุดงขวัติ13ข้อที่เอาบางข้อมามาเสนอมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้ทราบว่าคําว่าทุดงนี้คืออะไรทุดงนี้ความจริงก็คือข้อวัดปฏิบัติ13ข้อด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเดินเดิน เดินแบกกดข้างถนนเนนี้นเป็นการถือทุดดงอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อถือทุดดงแต่อย่างใดแต่การที่จะไปปีกวิเวกในป่าเมื่อในสมัยก่อนก็หรือในสมัยนี้ก็ต้องเดินไปกันเพราะว่าในป่าจะไม่มีถนนหนทางจะมีแต่ทางทางเกวียนบ้างทางเดินบ้าง<ม>ก็ต้องเดินกันเป็นส่วนใหญ่<ม>เดินแบกกรดไปเพื่อที่จะไปหาที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้บาเพ็ญ จิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบ mm hmm. นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของทุดงขวัต mm hmm. เป็นข้อเสนอแนะนำของพระพุทธเจ้าไม่บังคับกายจะถือทุดงก็ได้ไม่ถือทุดงก็ได้แต่ถ้าไปอยู่วัดที่เขามีทุโดงขวัต mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติตามทุดงขวัตของวัดนั้นขอไปถ้าวัดไหนมีการฉันในบาตรก็ต้องฉันในบาตร ฉันมื่อเดียวก็ต้องฉันตามเข้าไปมีการบินธบาตเป็นวัดก็ต้องไปบินธบาตตามเข้าไปไม่ใช่ไปแยกทําอย่างอื่นอันนี้เขาก็จะไม่ยินดีต้อนรับนถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของวัด<ม>ก็จะไม่สามารถอยู่ในวัดนั้นได้เพราะจะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับภายในวัดได้ถึงถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่บังคับก็ตามแต่เมื่อ เราไปอยู่ในวัดที่เขามีการปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าเราไม่ต้องการปฏิบัติตามเราก็ไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีการปฏิบัติอันนี่คือเรื่องของทุ ด, ดงนี้เป็นเพื่อเป็นการกําจัดกิเลสส่วนยาที่เกี่ยวกับการกินการอยูอ่การใช้เครื่องนุ่งห่มให้มัน มีให้น้อยที่สุดไม่ให้มันยุ่งยากไม่ให้มันมาสร้างปัญหาสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากแล้วก็ช่วยเสริมความเพียรทำให้มีความเพียรพยายามกิน ก, ก็กินน้อยกินน้อยก็จะไม่ง่วงนอนก็จะไม่มีนิวรนเคยเ ค, ความง่วงเหงาเหงานอนก็มักจะไม่เกิดญาโยมของอยะเจอปัญหานี้กันทุกคนเวลานั่งสมาธิแล้ว มัจะนั่งแล้วสับประงกกันนั่งแล้วหลับกัน<ม>ก็เพราะว่ากินมากเกินไปนั่นเอง<ม>ถ้ากินวันละสามมื้อแล้วมานั่งสมาธินี่โอกาสที่จะนั่งสับประงกนี้มันมีมากมถ้าอยากจะนั่งแล้วไม่สับประงกลองลองกินมื้อเดียวดูญ<ม><ม>าติโยมก็สามารถปฏิบัติทุดงคขวัตได้ไม่ได้บังคับเ<ม><ม>ช่นกินมื้อเดียว ถ้ากินในบาร ก, ก็เอาชามใหญ่ๆมาแล้วก็อาหารต่างๆมาใส่ในชามหรือการมังก็ได้แล้วก็คลุกอาหารเข้าไปอันนี้ก็เป็นทุดงสำหรับญาติโยมได้อย่างพวกคนที่มาบวชที่วัดนี้ตอนที่ยังไม่บวชก็จะให้มาอยู่วัดเจ็ดวันก่อนให้มาอาศัยอยู่แบบพระให้ให้กินให้ให้ให้กินในภาชนะเดียวก็จะมีการมังให้เขากินกัน แล้วให้เขาตักข้าวใส่ในกาละมังใส่เอากับข้าวกับปลาของข้าวของหวานใส่เข้าไปในกาละมังกินกันอันนี้ก็เจ้าโยมก็สามารถปฏิบัติได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะต้องปฏิบัติได้ใครที่มีความเพียรพยายามอยากจะได้รับผลจากการปฏิบัติอยากจะมีอยากจะกมจั ด, ดนิวรันคืออุปสรรคที่มาขวางกาั้นการปฏิบัติ เช่นความมุวงนอนหุ่งเหาเหานอนนี้มันก็เป็นอุปสรรคเวลานั่งสมาธิแล้วแทนที่จะนั่งแล้วสงบก็หลับไปก็มากินน้อยๆกินในภาชนะเดียวภาชนะเดียวมันก็ดีไม่ต้องวุ่นวายกับการที่จะต้องมาคอยล้างถ้วยล้างชามอะไรต่างๆแล้วก็สามารถงดการดู เลือฟังอะไรต่างๆไปอยู่ตามที่สงบสงัดไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบสงัดและมีมีการปฏิบัติธรรมถ้าอยู่อยู่ที่บ้านแล้วปฏิบัติธรรมอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมก็จะก็จะมีอุปสรรคเพราะเขาคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็จะกินข้าวเย็ยนกันเขาจะกินอาหารกันหลายมื้อหลายครั้งเรากินมื้อเดียว เวลาเห็นเขากินก็จะเกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาได้เวลาเขาดูหนังฟังเพลงเราก็เกิดเราก็เกิดจะเกิดความอยากอยากจะดูตามเขาขึ้นมาก็ได้ใจก็จะไม่มีสติที่จะอยู่กับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ต้องไปหาสถานที่สงบสงัดที่เราไปเปริกวิเวก ไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติซึ่งจะมีตามป่าตามเขาเช่นเดียวกันก็คือตามวัดป่าวัดเขาก็มีสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้กับข้าราารญาติโยมที่สนใจกับการปฏิบัติได้ให้มีสถานที่ได้ปฏิบัติเหมือนกับพระ <c oughs> เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมนี้มีไว้เพื่อให้เราเจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาเป็นหลัก เพราะว่าทำสามอย่างนี้แหละจะเป็นธรรมที่จะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆให้หมดสิ่งไปจากใจได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วจะปฏิบัติอย่างไรก็จะไม่ได้ผลเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอะไรสิ่งที่เราต้องปฏิบัติสิ่งแรกก็คือสติและการที่เราจะปฏิบัติสติได้ดี ได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องมีราวไม่มีงานทำถ้าเรายัางต้องทำงานอยู่การเจริญสตินี้จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าการเจริญสตินี้เป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อการหยุดความคิดต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรายัางต้องไปทำงานอยู่เราก็ต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราใช้ความคิดตลอดเวลาเวลาเรากลับมาบ้านจะนั่งสมาธิใจก็จะฟุ้งซ่านเพราะมันยังจะคิดถึงเรื่องงานที่ทําอยู่มันยังตกค้างอยู่ในใจเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายถ้าอยากจะนั่งสมาธิได้นี้ก่อนที่จะมานั่งต้องไปฝึกสติก่อนต้องไปควบคุมความคิดไปลดความคิดให้เบาบางลงให้น้อยลงไป การที่จะทําได้ก็ต้องไม่มีงานทำํำต้องไปทําในวันหยุดวันที่ไม่เราไม่ต้องทํางานเช่นพอเรามีวันหยุดเราก็ไปปลีกวิเวกตามสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปทําไปเจริญสติด้วยการมีคําบริกรรมอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆําบริกรรมนี้ก็จะคอยสกัดกั้นไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เพื่อให้การเฝ้าคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกิริยาบุตรไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ต้องมีการเจริญสติตลาดเวลาถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธิความคิดฟุ้งซ่านก็จะไม่มี เนือมีน้อยถ้ายังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็อาจจะใช้การสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนสวดมนต์เพื่อละางับความคิดปรุงแต่งพอใจรู้สึกเบาเย็ยนสบายไม่มีความคิดปรุงแต่งมารบกวนใจ <c oughs> ก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกต่อไปดูลมเข้าออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกรู้อยู่ที่จุดเดียวจุดที่ลมสัมผัสกับ กับร่างกายก็คือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาหรือแถวบริเวณปลายจมูกให้เฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องพุโทโธดูลมอย่างเดียวถ้าพุโทโธดยดูลมด้วยบางทีมันจะยุ่งยาก ถ, าถ้าทำได้ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ดูจาวพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป<น>ไม่ให้ลืมไม่ให้หยุดนเหรือถ้าจะดูลมก็ดูที่ปลายจมูกไปอย่างเดียวดูไปเรื่อยๆลมจะหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปทําอะไรกับลมไม่ไม่ต้องไปบังคับลมเพราะการบังคับลมเป็นการทํางานของใจของจิต ถ้าจิตยังต้องควบคุมบังคับลมอยู่จิตจะนิ่งสงบไม่ได้จิตจะนิ่งสงบได้ก็ต่อเมื่อจิตรู้เฉยๆรู้อย่างเดียวรู้ว่าตอนนี้ลมกําลังอยู่เข้าหรือออกยอย่าไปนึกละเอียดสั้นหรือยาวหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปก็รู้อยู่ที่จุดเดิมรู้อยู่ที่ปลายจมูกต่อไปดูไปตรงจุดนั้นว่าตอนนี้ไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกให้รู้เฉยๆอย่าให้ใจคิดปรุงแต่ง อย่าไปคิดว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าไม่ต้องคิดไม่ตายหรอกลมมันละเอียดแล้วมันอาจจะไม่ได้หายใจถี่เหมือนตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆมันอาจจะนานๆจะหายใจทักครั้งนึง <c oughs> แต่รับประกรันได้ไม่ตายถ้าลมหายไปเวลาที่เราภาวนาเวลาที่ดูลมหายใจ <c oughs> ถ้าเราดูเฉยๆต่อไปเดี๋ยวจิตก็จะเด้งลงสู่ความสงบเข้าไป <c oughs> พอจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องทําอะไรนะเพราะตอนนั้นจิตนิ่งสงบจิตไม่ไปทําอะไรไม่ไปคิดปรุงแต่งจิตตอนนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีอยูเบกขามีอารมณ์ที่เป็นกลางไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในใจเลยเวลานั้นก็ไม่ต้องทําอะไรพยายามประคับประคองให้อยู่ในสภาพนั้นไปนานๆเท่าที่จะทําทได้จนกว่าสติเริ่มอ่อนกําลัง แล้วความอยากที่อยากจะออกไปสัมผัสกับรูปเสียงกิริย์ลดก็จะคอยดึงใจให้ออกไปถ้ายังอยากจะนั่งต่อไปก็ต้องดูลมใหม่ดูลมที่ปลายจมูกใหม่หรือถ้าใช้คำบาลีกรรมก็ใช้คำบาลีกรรมพุโทโธพุโทโธใหม่นั่งอีกรอบหนึ่งเลยโดยที่ไม่ต้องลุกก็ได้แต่ถ้านั่งไม่ไหวหรือมีมีมีภาระอะไรที่ต้องทําก็อาจจะต้องออกจากสมาธิมา พอออจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อไปอย่าทิ้งสติเวลาก่อนเข้ามาก็เราก็ใช้สติพาจิตเข้ามาเวลาจิตเดาสมาธิเราก็ต้องใช้สติคอยรักษาจิตไม่ให้ฟุง้งซ่านไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งให้ให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายเพื่อที่เราจะได้กลับมานั่งสมาธิในรอบต่อไปได้นั่นเอง อันนี้ก็คือขั้นของการปฏิบัติขั้นแรกคือขั้นเจริญสติเพื่อให้เรานั่งสมาธิเพื่อจิตใจให้สงบเราต้องฝึกสติกับสมาธิให้ชำนาญจนเราสามารถรักษาความสงบของใจได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือจะออกจากสมาธิมาเราก็สามารถควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้เมื่อเราอยู่ในถึงขั้นนั้นได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาฝึกใช้ปัญญากันปัญญาก็คือ ให้เรารู้ว่าความไม่สงบหรือความวุ่นวายใจนี้มันเกิดจากตัณหาความอยากของเราเองพอเราอยากได้อะไรขึ้นมาใจเราก็จะเริ่มกระวลกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมามก็อย่าไปเราถ้าอยากให้ใจสงบก็ต้องหยุดความอยากความอยากนี้เป็นเหตุที่จะทําให้ใจวุ่นวายทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจเครียดทําให้ใจฟุ้งซ่านและสิ่งที่อยากได้ก็จะไม่สามารถทําให้ใจสงบได้ สงบได้ก็เพียงชั่วคราวแล้วสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้ใจเศร้าใจทุกข์แล้วก็ตะกอดความอยากที่จะต้องไปหาของใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆให้ใช้ปัญญาศึกษาว่าทุกข์ของใจเกิดจากตันหาความอยากและการที่จะทําให้ทุกข์ของใจหายไปก็ต้องเกิดจากการละความอยาก การยกล่ความอยากก็ต้องมีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากแล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มาทําใจให้ทุกข์และสิ่งที่ใจสิ่งที่อยากก็ไม่สามารถตอบสนองไม่สามารถทาให้ใจหนุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากไม่พ้นจากความทุกข์แล้วยังกลับทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นราบลดสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงจิตลดผทสะพะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม mm hmm. สิ่งที่ได้จากเขาอาจจะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปใจก็จะเศร้าใจก็จะเหงาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่ใจก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆได้ใจก็จะนิ่งสงบ mm hmm. ใจก็จะเกิดความอิ่มความพอเหมือนกับการที่เวลาที่อยู่ในสมาธิ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิถ้ามีปัญญาแล้วสามารถกำจัดความอยากหยืดความอยากต่างๆได้ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเข้าสมาธิก็ได้ข้อใจก็จะสงบเหมือนกับการที่อยู่ในสมาธินี่คือท่านของปัญญาที่จะทำให้ใจสงบไปตลอดด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาในใจ พอเวลาที่ความอยากโผล่ขึ้นมาใจจะเริ่มกับเพิ่มใจจะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาพอเราเห็นใจเราเริ่มวุ่นวายเราก็ตัดความอยากไปเสียพอตัดความอยากได้ความวุ่นวายก็จะหายไปหมดนี่คือขั้นของปัญญาปัญญานี้แหละที่จะทําให้ใจสงบไปอย่างถาวรด้วยการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากหลงเหนือใจแล้วใจก็จะเป็นแค่ตั้งอยู่ในคางสงบตลอดเวลา ความสงบตลอดเวลานี้เราเรียกว่านิพานนิบานังบรมังสุขขังเป็นบร ม, มสุขนิพานเป็นบร ม, มสุขเพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่มีการที่จะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นถูกกาจัดหมดแล้วคือตันหาความอยากต่างๆนี่คือผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติจากการปฏิบัติ ข้อทุโธงขวะต่างๆก็ เ, เสริมการปฏิบัติให้มีให้ปฏิบัติได้อย่างอย่างสะดวกรวดเร็วให้ได้ถึงถึงถึงผลที่ต้องการภายในเวลาไม่นานเพราะเวลาของเราก็ไม่แน่นอนว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่ถ้าเราตายก่อนที่เราจะถึงฝั่งนี้เราก็จะกลับมาเกิดมาก็ต้องมาทําต่ อ, อยังต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีก ถ้ามากลับมาเกิดมาชาติหน้าก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนมาคอยบอกก็ได้ถ้าไม่มีคนบอกทางก็จะหลงทางกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรรีบเร่งทําภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นภายในภพนี้ชาตินี้ได้จะดีที่สุดด้วยการปฏิบัติมักน้อยสันโดษถือข้อวัดถือตู้ดงขวัดข้อต่างๆถ้าที่จะสามารถถือได้แล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา แล้วผลที่ต่างๆที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตทินางเปตานางังอุปกปะิต อิชิตังปัทถังตุนหังคิปเมวัสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทกนาระสุยธามณิโชติอระสุยธาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวา อาพิวาทนสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารธะะุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้รับฟังทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสามร้อยแปดสิบสองพระอาจารย์สุชาติไลฟ์สามร o อยเจ็ด r v Channel 52วห้าสิบวิทยุออนไลน์ห Club บเฮาส์เจผู้รับฟังธรรมนากุติ ห5 6้าหคนรวมทั้งหมด9 1้าสิบครับคำถามจากผู้ฝากถามหน้ากุติสองท่านนะครับท่านแรกมีญาติป่วยสภาวะทางจิตวนคิดพูดแต่เรื่องในอดีตลูกบอกให้อยู่กับพุทธโธก็อยู่ได้ไม่นานขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็ไม่ต้อ ง, องกังวลกับเขาหละกังวลกับเราเราทุกข์กับเขา เรามาแก้ความทุกของเราด้วยการปล่อยวางเขาเป็นอย่างนี้เราช่วยอะไรเขาไม่ได้มันก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาเพื่อเราจะได้สบายใจส่วนเขานี้เขาก็ต้องรับผลบุญผลบาปที่เขาทำมาคำถามจากท่านที่สองขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาขอความแยบคาย กับคำว่าจําได้หมายรู้มีการทํางานอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยครับจําได้ก็นี่แหละเวลาเห็นหน้าใครก็จําได้ว่าเป็นใครก็เรียกว่าจําได้เคยเห็นคนนี้มาก่อนพอเห็นอีกทีก็จําได้คนนี้ชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้จําได้คําว่าหมายรู้ก็คือเวลาเห็นอะไรแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นอะไรเห็นต้นไม้ก็รู้ว่ามันเป็นต้นไม้ เป็นภูเขาเป็นน้ำเป็นนมเป็นแดดนี่เรียกว่าหมายรู้จำได้หมายรู้เป็นคุณสมบัติของสัญญาความจำได้หมายรู้ที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่เราจำได้หมายรู้เพราะว่าเรามีสัญญาคำถามต่อไปจากคุณอาเวลาได้สมาธิแล้วมีปิติความสุขมีอารมณ์เดียวไม่คิดเรื่องอื่นใดๆเลยครับ เหตุใดอารมณ์เดียวนี้จึงอยู่ได้นานถึงสี่ชั่วโมงแล้วค่อยสลายไปครับก็อยู่กำลังของสติว่ามีมากมีน้อยถ้าสติมีมากก็อยู่ได้นานสติมีน้อยก็อยู่ได้ไม่นานคําำถามต่อไปจากคุณดาลินทาไมเวลาที่เรานั่งสมาธิผิวจึงขาวขึ้นแต่พอเวลาออกจากสมาธิทำไมผิวถึงกลับมาเป็นสีปกติ เกิดจากสาเหตุอะไรครับจะไปรู้ได้ไงเวลาเข้าสมาธิแล้าผิวขาวถ้าคุณรู้คุณก็ไม่ได้อยู่ในสมาธิสิไปอยู่ในสมาธิมันไม่รู้อะไรเลยส่วนเรื่องของร่างกายมันก็อาจจะมีผลบางอย่างจากจิตใจก็ได้จิตใจที่สบายนี้หน้าตาจะไม่หน้าตาจะผ่องใสเวลาจิตใจเครียดเวลาจิตใจทุกนี้หน้าตาก็จะไม่ค่อยจะหน้าตาก็จะเศร้าหมองอันนี้มีส่วน สังเกตดูคนที่มีหน้าที่การงานที่เครียดเนี่ยผมจะเงาหน้าตาจะเหี่ยวแต่คนที่ไม่มีหน้าที่การงานที่ต้องเครียดนี่หน้าตาเขาจ ะ, ะเป่งปังดูคนที่เป็นนายกเวลาเป็นนายกเป็นอย่างหนึ่งพอพ้นจากตําแหน่งออกมานี่กลายเป็นอีกอย่า ง, งเพราะความเครียดนี่แหละมันมีผลกระทบต่อจิตใจความเครียดหรือความไม่สงบคําถามต่อไปจากคุณชิโน ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านหมายถึงความสงบจากการหลุดพ้นวิมุตติสุขใช่ไหมครับก็ตั้งแต่สมาธิไปเนะี่ยสมาธินี่ก็เป็นการหลุดพ้นแบบชั่วคราวเวลาจิตรวมเข้าสู่สมาธิความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจเราก็หายไปหมดแต่อยู่ได้แต่มันจะกลับมาอีกเวลาที่เราออกจากสมาธิมา พอจากสมาธิเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความทุกข์ก็ยังกลับมาได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ต่อไปเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุกข์พเพราะเราไปห่วงเขาไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เลยทุกข์เราก็เลยเครียดแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้อํานาจของเราที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้ เขาจะเป็นอย่างไรเพราะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางพอปล่อยวางความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดอันนี้เป็นแบบความหายความหายจากความทุกข์อย่างถาวรด้วยปัญญาถ้าสมาธินี้หายแบบได้ชั่วคราว <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณประพันธ์ุดงขวัตด้านเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยความเพียรสําหรับคารวะนั้นควรปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับเก็เสื้อผ้าก็มีแค่สองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักแล้วชุดหนึ่งไว้สํารองอย่างญาติโยมที่มาอยู่วัดมีชุดขาวอยู่3ามชุดก็พออยู่ได้นะ ร <c oughs> องเท้าก็คู่เดียวก็พอมีเท้าอยู่คู่หนึ่งจะเอารองอรทเท้ากี่คู่กันก็คือให้มันพอกพอดีกับความต้องการเครื่องนุ่งหมอาหารก็กินเมื่อเดียวเหมือนกับพระก็ได้กินในชามในกะละมังก็ได้คุกมันเหมือนกับเป็นคุกข้าสุนักไปก็ได้ อ, อันนี้หรือถ้าจะจะยินดีตามมีตามเกิดถ้าเป็นร้านอาหารก็สั่งให้เขาจัดอาหารมาให้เราก็แล้วกันว่าอะไรก็ได้เอามาสักชุดหนึ่ง ไม่ต้องเลือกแล้วแต่ทางร้านจะจัดมาให้ก็กินตามที่เขาจัดมาให้ไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสันโดษคำถามต่อไปจากคุณจรุงเกียรติปฏิบัติทำสมาธิแล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเกิดปิติควรจะทรงอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆหรือต้องกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมครับ อ, อท่านนั่งสมาธิไม่ให้ไม่คิดอะไรเลย ให้พยายามนั่งให้มันนิ่งให้สงบให้มันว่างความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความปิติความปิตินี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ความว่างนี่ถ้าเราไปถึงมันแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ไปตลอดเฉะนั้นให้เราภาวนาต่อไปอย่าไปล่ำนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณในขณะที่เราภาวนาถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปดูลมอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมด ไม่ไมช่นนั้นเราจะไปไม่ถึงจุดที่ที่สูงสุด ท, ที่สงบที่สุดก็คือความว่างคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการที่ซื้อผ้าไตรกับวัดมาถวายให้กับพระจะถือว่าเป็นบาปไหมครับเพราะว่าเขาใช้ของวนเวียนถวายเป็นของมือสองหรือไม่ครับไม่หรอกก็ถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้เป็นบุญ ทางวัดเขาอาจจะมีความจําเป็นต้องเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเอาผ้าไปจ่ายเขาก็ไม่ยอมรับมีคนเอาแต่ผ้ามาถวายวัดแต่ไม่ค่อยมีใครบริจาคค่าน้ําค่าไฟกันผ้าเยอะแต่เอาผ้าไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ได้ท่านก็เลยเอามาขายเป็นสังฆทานก็ะจะได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินเงินจะได้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางวัดต้องมี บาที่ต้องซ่อมแซมหลังคากุติต้องซ่อมแซมอะไรต่างๆก็ต้องใช้เงินใช้ผ้าไม่ได้ช่างก็ไม่เอาผ้าแต่ญาโยมไม่รู้กันถ้าผ้าก็บอกไม่ได้บอกแล้วเดี๋ยวว่าน่งเงินอยากยาเเงินอย่างเดียวแต่บางทีผ้านี่มันเต็มกูดังไปเลยเต็มหมดล้นไปหมดแต่ก็ใช้ไม่ได้ก็เอาไปแจกเอาไปจ่าย้วัดต่างๆเขาก็มีเยอะๆไปหมดทุกวัดก็มีผ้ากัเยอะไปหมด แต่ ม, มันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ญาติโยมอาจจะคิดไม่ถึงไว้ก็เหมือนบ้านของโยมโยมก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ําไวัดก็ต้องใช้น้ําใช้ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายเวลามีอะไรเสียก็ต้องซ่อมแซมมันไปก๊อบน้ําเสียบ้างสวิตไฟเสียบ้างหลอดไฟขาดบ้างก็ต้องเปลี่ยนของเหล่านี้มันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นซึ่งบางทีญาติโยมก็ไม่ได้ถวายสิ่งเหล่านี้มาส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมถวายผ้าไตา หรือไม่ก็สังฆทานชุดเนี่ยที่ก็จัดมาเป็นชุดในกระแป้งสีงเหลืองๆเนี่ยอันนี้ก็จะไมเ่เอามาใช้ใจ่ายเป็นค่าน้าค่าไฟไม่ได้<ม>ก็เลยบางทีบางวัดเขาก็เดือดร้อน<ม>เขาก็เลยต้องทำทาทาร้านขายสังฆทานในวัดเพราะญาติโยมบางคนมาก็ไม่ได้เตรียมของมาก็ให้วัดจัดให้วัดก็เอาของที่ญาติโยมมาถวายนี่แหละ เพราะผ้าก็ไม่เอาไปใช้เพราะผ้าท่านก็มีผ้าตายชุดเดียวท่านก็อยู่ได้นะพอแนละ้วเอาผ้าตายไปเป็นสิบชุดก็เอาไปเกกะกุติพอเ ป, ป่าก็เอาไปทําคุณทําประโยชน์ดีกว่ า, าไ ม, ไม่ไม่เป็นไรถ้าทางวัดเขาจัดมาให้ถึงแม้จะเป็นของเก่ามันแต่ของเก่าที่ไม่ได้ใช้นะ่ะเป็นของเก่าที่ยังใหม่อยู่ยังอยู่ในยังหออยู่ในหอ่อยังดีอยู่ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ใช่เอาผ้าเอาของเก่าที่พระใช้แล้วเอามาซักแล้วมาถอยใหม่ อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรผ้าท่านก็ไม่ถือผ้าบางองค์ท่านชอบใช้ของเก่าท่านชอบใช้ผ้าบางสกุลท่านก็จะไม่ให้เดือดร้อนแต่อย่างใดการให้ของเรานี้ไม่ได้ไม่ถือเป็นการกระทําบาปแต่อย่างใดคําถามต่อไปจากคุณอูเวลาที่เราโกรธแล้วไประบายกับข้าวของสิ่งที่ไม่มีชีวิตควรไหมครับมันไม่ได้แก้ปัญหาแล้ว ความโกรธมันไม่ได้หายไปจากการที่เราไประบายความโกรธจะหายไปด้วยการใช้สติปัญญาสอนใจว่าความโกรธเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็เลยโกรธขึ้นมาถ้าทำร้ายเขาไม่ได้ก็เลยไปทำร้ายข้าวของแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเสียข้าวเสียของไปเสอีกมาเปลี่ยนใจดีกว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอยากได้อะไรจากใคร แล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธคำถามจากคุณคณิตฐาปฏิบัติอย่างไรให้เห็นผลเร็วหรือต้องออกบวชเท่านั้นครับออกบวชแล้วก็ไปทุดดงให้มากๆไปอยู่คนเดียวไปภาวนาไปถือทุดดงขวัตต่างๆอย่างพระพุทธเจา้าออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติตามลำพังตอนต้นก็ศึกษากับครูบาอาจารย์ก่อน เราได้แนวทางของการปฏิบัติววนะพระองค์ก็ไปปิดวิเวกไปถือธุดงคขวัดข้อต่างๆตอนในที่สุดก็ได้ตัดสรนวเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนครการปฏิเสธการให้ยืมเงินโดยบอกว่าไม่มีทั้งๆ ท, ที่เรามีครับก็เราต้องวงไว้ในใจว่าเงินยืมไม่มี <laughs> คำถามต่อไปจากคุณใบยกตอนนั่งสมาธิแรกๆลูกจะเอาจิตดูลมดูรู้พอรวมแล้วจิตกับลมคือหนึ่งเดียวกันที่หนึ่งชั่วโมงครับแต่ลูกไม่มีเวลาแต่ลูกไม่มีเวทนาเกิดแล้วครับตอนเริ่มนั่งแรกๆมีครับลูกอยากเพิ่มเวลาคือพอออกมาลูกควรนั่งต่อหรือทำอย่างไรต่อครับถ้าอยากจะเพิ่มเวลาก็นั่งต่อไป ดูหนังรอบหนึ่งแล้วจบแล้วอยากจะดูรอบสองก็นั่งอยู่ในโรงต่อไปโรงหนังบางโรงนี่เขาให้ตีตั๋วหนเดียวแล้วจะนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ้าไม่อยากไมก่ไม่ออกจากโรงเขาก็ไม่บังคับให้ออกจากโรงคําถามต่อไปจากคุณอ้อมเวลาที่นั่งสมาธิตัวโยกหมุนครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับไม่มีสเตย์อันนั้นนั่งแบบนั่งแบบเข้าทรงนะอืม ต้องนั่งนั่งแบบมีสติต้องมีลมต้องรู้ลมหายใจเข้าออกนึกๆอยู่กับพุโทโธพุธโทโธถ้ามีสติแล้วร่างกายก็จะนิ่งไม่เคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวก็คือไม่มีสติหมดแล้วเลยคำถามมีกายอยากจะถามอะไรอีกไหมเชิญถามได้น ะ, อะอขอบพุะอาจารย์เจ้าค่ะ หนูสงสัยเรื่องการเดินจงกรมกับการเจริญสติปัฏฐานทั้งวันเหมือนกันไหมเจ้าคะหรือว่าหนูต้องแบ่งแยกว่าหนูจะต้องเจริญสติปัฏฐานแต่หนูก็ยังมีลืมอยู่หลายๆตลอดทั้งวันเจ้าคะแล้วก็ต้องแยกไปเดินจงกรมก็เหมือนกันก็ยังเจริญสติอยู่เหมือนกันเดินจงกรมก็จะมีสติอยู่กับการเดินทํากับข้าวก็มีสติอยู่กับการทํากับข้าวกินข้าวก็มีสติอยู่กับการกินข้าว ทำเหมือนกันเพียงแต่ทำสติเหมือนกันแต่เรื่องงานที่เราทำต่างกันไปแต่ก็ทำเป็นการเจริญสติเหมือนกันก็คือเทียบสมือนเท่ากันคือหนูไม่ต้องเลือกว่าหนูจะต้องแยกไปเดินจงกรมใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าบางทีมันมีความจำเป็นจะต้องทำอะไรก็ต้องทำไปถึงเวลาต้องอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำไม่ใช่ไปเดินจงกรมอย่างเดียวอาบน้าก็มีสติได้เหมือนกับเดินจงกรม ใช่ค่ะคือหนูปฏิบัติทั้งวันแต่หนูยังมีหลงลืมอยู่บ้างแล้วหนูก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเดินจงกรมแต่หนูสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าการปฏิบัติเนี้เท่ากันแบบเหมือนกันเหมือนกันถ้ามีสติก็เหมือนกันเจ้าค่ะให้อยู่กับงานที่เราทําเวลาเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดินเวลาอาบน้ําก็ให้มีสติอยู่กับการอาบน้าไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แ, แล้วแล้วหนูนั่งสมาธิก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เจ้าค่ะ เพราะท<ำ>ี่สติมันยังไม่ดีใจยังลอยไปลอยมาอยู่ยังไม่อยู่กับงานที่เราทําเพียงอย่างเดียวเจ้าคขาฝึกต่อไปแล้วมันจะดีขึ้นไปตามลำดับใจเย็นๆนมันไม่ใช่เป็นของที่จะทําได้ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดไม่ใช่แบบฟาสต์ฟู้ดไปที่แม็กโดนัลสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บยอันนี้เป็นเหมือนอาหารจีนต้องไปสั่งจองไว้ก่อนอาทิตย์หนึ่งเขาจะได้เตรียมข้าวเตรียมของมาทําให้เรากิน ขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ผลในข้างหลังมีใครอยากจะถามมั้ย Hi you speak English? Yes yeah, speak English go ahead So my question is how does the law of karma work and how can you prove its validity Well it's hard to prove the law of karma because the one who do the karma is i n v i s i b l e The one who do the karma is the mind, not the body. The mind tells the body what to do. To go rob a bank or to go give food to somebody, this is karma. Robbing bank is a bad karma, and giving food to people is good karma. So the one who reap the consequence of the karma is not the body, right? The one who reap the consequence of the karma is the mind. And what is the consequence? Feeling good or feeling bad. When you rub a band, you feel bad because you have to try to stay away from the c o p You don't want to get cut. You have worry and anxiety. But when you give food to people who need your help, you feel good and you feel happy. This is the the result or the consequence of the karma. It's in your mind, not not not with the body. But sometimes the body also have to reap the consequence. As a collateral consequence, like if you go rob a bank, you might get caught and your body will have to stay in jail, for instance. So your body is locked up and your mind is feeling bad. So actually, we have to look at the mind itself. The feeling that h t appears after we do a certain action. When we do something good, we feel good. When we do something bad, we will feel bad. That's the law of karma. It concerns the mind, not the body, and this also affects the mind after after death, because the mind doesn't die with the body. The mind continues on as a spiritual being, and it can be. If it's happy, it will be in a happy state. We call heaven. If it's sad or it is in turmoil, in anxiety, it's in hell. We call it hell. It's a state of mind after the body dies. This you have to prove it to yourself. You cannot prove it to other people. There's no instrument to measure your your mind, but you can have instrument to measure your body. But you can only measure your your mind by yourself. b h t e e way how you feel, you feel good or you feel bad, you're sad or you're happy, for instance. And this usually are the consequence of your mind, your action. ที่คุณดูโอเค anything else thank you มีใครอยากจะถามอีกไหมสมาไให้ใหน่อยเอ่อกล่าวพระอาจารย์ค่ะคือเดิมหนูเริ่มปฏิบัติ กรรมาฐานนะคะแต่ว่าหนูปฏิบัติทางกระสินนะคะที่เห็นเป็นแสงนะคะทีนี้ตอนนี้หนูเริ่มกลับมาหันมาปฏิบัติในทา ง, ทางวิปัสสนาแล้วแต่พอนั่งไปปุ๊บเหมือนมันหลุดไปที่ฌานเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็พยายามดึงสติกลับมาพอนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งก็หลุดไปที่ฌานอีกแล้วซึ่งเห็นเป็นแสงนะคะพระอาจารย์ที่หนูจะ จะมีวิธีปฏิบัติไงที่จะช่วยให้หนูกลับมาวิปัสสนาที่ไม่หลุดไปไปชามอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะคือการปฏิบัติมันมีสอ ง, ส อ, งอย่างด้วยกันคือปฏิบัติวิปัสสนากับปฏิบัติสมถะ <c oughs> ก็คือสมาธิ <c oughs> เราจะต้องแยกทำสองอย่างนี้ไม่ได้ทาพร้อมกันถ้าเรานั่งสมาธิเราต้องการให้เข้าฌาน ถ้าเราต้องการวิปัสสนาเราไม่นั่งสมาธิเราเดินจงกรมแล้วเราคิดคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคนละเรื่องกันพญานะคิดถึงอริยสัจสี่ว่าทุกของเราเกิดจากความอยากของเราเวลาเราเกิดความทุกข์ก็ค้นหาดูว่าตอนนี้เราอยากอะไรเช่นไม่เวลาไม่สบายเราก็ทุกข์กันเพราะอะไรเพราะเราอยากหายอยากให้ความเจ็บหายไป พอมันยังไม่หายมันก็ทำให้เราทุกข์ใจใถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปอยากหายให้มันอยู่ของมันไปให้มันหายเองเราก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะทุกข์แต่เพียงร่างกายแต่ใจเราจะไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายอันนี้คือวิปัสสนาต้องทำนอกสมาธิทำคนละเรื่องกันเวราทำสมาธิเราต้องการให้เข้าฌานให้นิ่งให้สงบ เพราะชาจะเป็นกําลังที่เราจะมาใช้ต่อสู้กับความอยากเวลาเราใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาคิดว่าความอยากทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่มีชาเราจะหยุดความอยากไม่ได้แต่ถ้าเรามีชาเราจะมีกําลังหยุดความอยากได้เั้นต้องทําทั้งสองอย่างสลับกันไม่ได้ไม่ได้ทําพร้อมกันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคขอ <Okay. S 2> อีกคำถามหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้หนูได้มาพือพ่อหนูป่วยเป็นมะเร็งปอด น, นะคะแล้วหนูต้องดูแลพ่อเกือบจะรอยเปอร์เซ็์แล้วทำงานที่บ้านทีนี้ในบางอารมณ์ ค, คือคือด้วยคนป่วยแล้วหนูไม่เคยดูแลคนป่วยแล้วหนูต้องมาดูแลแบบร้อเเซ็นะคะบางทีหนูก็รู้สึกว่าแบบเหมือนรับไม่ไหวอะคะ่ะทีนี้พระอาจารย์ ม, มีคำคือใช้บัพตนาแล้วไม่ไหวก็แสดงว่าเราทุกข์ใช่ไหม ทุกของเราต้องเกิดจากความอยากของเราก็ออยากอะไรอยากไม่มาดูแลท่านนี่เล้อ่ไม่ใช่ค่ะหนูเหมือนกับว่าบางด้วยความเครียดที่ที่จะต้องเจออะค่ะอั่นะก็ไม่อยากจะเจ อ, อความอยากไม่เจอนี่ไงแต่เราต้องเจอก็ต้องทำใจใช้อุบเบกขาต้องอยู่กับมันไปทำใจเฉยๆไปแล้วใจเราจะไม่เครียด พ่อจะบน่นพ่อจะทำอะไรเราก็ดูแลไปนึงดูแลเด็กไปแต่ปัญหาคือใจเราไม่อยากจะเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจเราเครียดจําทำให้ใจเราไม่สบายแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเป็นภาระของเราเป็นการทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณกับเราเราก็ทำไปด้วยใจที่สงบใจที่มีฌานใจที่มีอุเบกขา อย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากหนีจากเหตุการณ์นี้หนีไม่ได้เต้องอยู่กับมันไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเข้าใจใหรือยังเข้า ใ, ใจเปลี่ยนใจใช่คําคำถามจากคุณสิริมาเวลาที่นั่งสมาธิบางครั้งความคิดเวทนากับกายห่างกัน <c oughs> แค่ดูแบบนี้ อาการอย่างนี้ถือว่าไม่นิ่งใช่ไหมครับยังไม่นิ่งอ่ะนิ่งมันต้องว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยถ้าเหมือนทีวีก็ปิดปิดปิดทีวีปัปปป๊บจอก็ว่างเลยแบบ น, นั้นนะใจเราเป็นเหมือนจอทีวีถ้ายังมีภาพมีเสียงมีอะไรให้ดูอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปิด<ห>ถ้าอยากจะปิดทีวีเราพอปิดสวิตซ์ปับ๊บภาพเสียงที่มีในทีวีก็หายไปเหลือแต่จอเปล่า ใจเราก็เหมือนกันเวลาใจเราสงบใจเรานิ่งเป็นฌานนี่มันจะว่างเหมือนจอทีวีที่ปิดไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นหมดแล้วเหรอโอเคถ้าท่านนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ